ที่เดียครับเดียครับเป็นไงอ่ะือสงสัยอะไระก็ไม่รู้ติดอะไรครับแล้วก็ชว่วงนี้คาดหวังที่หยุดหยิบขึ้นเด้อครับจริงๆแล้วมออันติดสงสัยติดสงสัยวางความสงสัยลงสงสัยทำให้ตกเขาสงสัยทีไรตกเขาทุกทีเห็นไหมที่ประเด็นสงสัยมันหาครับเอออนนี้อย่าหาเนี่ยหานี่ยคือสงสัยไปหาไม่หาไอ้ตัวนี้ทําให้เราตกเขานะแล้วเราก็ลงไปหามัจริงๆนะ เราเข้าใจผิดว่าอธทหาเนี่ยเราเราจะเห็นคือเข้าใจตรงกันข้ามเลยอ่ะเราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเนี่ยไปหาเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นแต่แท้จริงอะอ้ทหาเนี่ยทําให้เราตันและทําให้เราตกเขาแค่นี้แน่เฮนเข้าใจตรงกันข้ามไงนี่แน่พอเราเห็นว่าเอ้าไอธทหาเนี่ยเอ้ามันเป็นกิเลสมันบังตาแค่นันี่ยบังตาบังใจบังนิพพานเราก็เอ้าพอมันหาขึ้นมาเราก็เห็นมันแต่เราเนี่ยจะไปหาให้มันเห็น แต่จริงๆเราต้องมีสติปัญญาเห็นขณะที่เราหามันที่จะดับลงตัณหาตัณหาดับอุปทานดับภพบชาติดับโศกบาลีเทวะทุกขโทมันัะอุปายากะความทุกข์โศกเศร้าเสียใจดับความเวียนว่ายใจเกิดดับพร้อมเพราะตัณหาดับตัวเดียวเลยแล้วตัณหาเนี่ยลองแปลดิลลว่ามันแปลว่าอะไรตัณหา เราผวนคำกลับที่ตัณหาหาตันเออหาแล้วตันหาตันหมายถึงว่าเมื่อไหรที่เสี้ยววินาทีเดียวที่เราไปหาเนี่ยมันเป็นตันหาแล้วตันหาเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดอุปทานอุปทานไปเกิดได้เกิดพบพบเป็นเหตุได้เกิดชาติชาติเป็นเหตุได้เกิดชะลาวรณะโศกศัลย์ลีเทวทุกขะโทมณัตอุปยายาสะหาตันถ้าเรายังไม่สิ้นหาเนี่ยเราตัวเราไปหาเนี่ยเราก็ผิดเข้าใจผิดคิดว่า เอาตัวเราไปหาแล้วมันจะเห็นแต่ที่จริงเราต้องเห็นขณะที่เราหาเพราะมันเป็นตัณหาเราเสี้ยวทีเดียวเราเริ่มหามันก็เป็นตัณหาแล้วมันก็เข้าสู่อุปทานภพชาติเข้าสู่ปฏิจจสมบับาทันทีพอเราเห็นมันพอเริ่มหาเราก็เห็นมันตัณหาก็ดับตัณหาดับอุปทานจึงดับเข้าใจชื่อป้อมค่ะก็คิดว่าน่าจะติดอะไรแต่ไม่รู้ว่าติดอะไร ไปติดสบายติดว่างแล้วเราก็คิดว่าตรงเนี้มันใช่เพระนี่นะ่ยติดกลยติ ด, นนตดไม่มีใช่รละวางไปเฮ้อถ้าใช่อะไรติดหมดเนี่ยนี่ถ้าใช่ไหนติดหมดขอ น, นี้วันนี้ใช่เลย น, นี้ใช่เลยคือติดแล้วถ้าใช่แล้วติดหมดฮนะก็ก็รู้ว่ามันคิดมันคิดเยอะหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่าติดสบายเราก cool er> ็ใจติดเราจะบายเราเนี่ยจะพยายามมัดับไอ้จุกจิกกุกจิกในหัวใจเนี่มันดับเราก็สู้กับมันมานานแล้วก็สู้มันตันอยู่แน่เนี่ยเล่นเราไม่ไปไหนหรอกสู้กับไอ้ที่จุกจิกกุกจกในหัวใจแต่ไอ้จุกจิกกุิกในหัวใจมันดับเลยเรารู้สึกว่าไม่สบายเลยชีวิตที่จริงเนี่ยมันอาการของจิตแต่เราก็้าใจติดว่าถ้าอาการจุกจิกกุกจิไม่สบายใจเนี่ยมันดับลงเมื่อไหร่เนี่ย เราก็จะพ้นทุกนี่เราไปเลยไล่ไดับผิดตัวนะวต้องต้องอยัางไงคะก็คือก็รูก็รไูไปตัว <ไป S 1> ดับมานะไม่มีตัวไปดับมาแค่นั้นแหละไม่มีตัวไปดับมันเนี่ยแต่เราจะไปดับไอาการจุกชุกในใจอ่ะเราก็เลยมีตัวจริงๆนะเป็นอวิชาจริงๆเลยพอมีตัวจะไปไล่ดับอาการมันก็เลยเป็นอวิชาไงให้ตัวไล่ดับเป็นอวิชา ถ้าเราไม่มีตัวไล่ดับประการก็ไม่มีอะไรเลยอที่ที่รู้ที่ดูอยู่คือเหมือนไปไล่ดับเหรอคะไม่ได้ดูไอท้ไอที่ดูด้วยรวมทั้งไอ้ตัวดูนั่นด้วยอไอตัวนั้นก็เป็นสังขารทิ้งมันไปซะมันยิ่งดูมันยิ่งไล่ดับอไอตัวผู้รู้นั่นแหละอันนั้นก็เป็นสังขารวางมันวางเห็นมันรู้อยู่รู้ว่ามันมีไอตัวเข้าไปดูแลไอตัวไล่ดับ่ะมันเป็นสังขารทั้งคู่ พอไปดูปุ๊บแล้วไล่ดับมันเป็นกิเลสตนาไอตัวดูเป็นสังขารเฉยๆแต่พอไปดูแล้วมันไล่ดับไอตัวนั้นเป็นกิเลสตนาอันนี้มันก็เลยลาบไปเป็นปฏิจจสมุปบาทมันก็เลยตันเลไม่ไปรู้จะไปยังไงมันเล่นงูกินหางเราดับผิดตัวดับให้ตายมันไม่ดับได้แล้วกันเนี้ยมันเป็นชีวิตดับได้ยังไงไอตัวจุกจิ๊กจุกจ๊กในใจของเราเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตเลยนั้นน่ะคือขั้นห้า แต่เราไปไล่ดับผิดตัวเราจะดับมันให้ได้เราดับกันห้าดับไม่ได้เราเรายังไม่ตายมันไม่ดับแม้แต่เราตายแล้วแต่เราไม่พอใจตรงนี้เราไปต้องไปเกิดอยู่ในร่างใหม่เราไปเราไปนั่งไล่ดับมันใหม่มันดับไม่ได้แต่เราไม่เขพอใจตรงนี้เราไปเกิดใหม่มันก็ต้องมีตัวจุกจิกจุกจิกอยู่ในใจตลอดไปทุกชาติแต่แต่ม่ว่าเกิดในร่างอะไรเราก็จะเปนได้ล่ดับมันใหม่ไอตัวผู้เขาไปดูนั่นแหละมันก็ไปรู้ว่ามีมีการจุกจิกในใจพอมันดูด้วยมันก็มีจุกจิกเราก็ไม่พอใจด้วยมันก็ไล่ดับจริงะ เราก็ใจปิดเลยว่าเราก็ใจปิดว่าอาการชิ่งๆในใจมันดับหมดได้น่ๆแล้วเราจะสบายเมื่อไหร่ที่อาการชิ่งๆในใจที่มันไม่สบายมันดับหมดเราจะสบายนี่เขาเรียกว่าติดสบายแล้วก็ผัดสายอาการที่ไม่สบาย mm hmm. สุดเนี่ยสิ่งที่หายไปก็คือไอตัวผูผู้ไปดูกลับไปตัวที่ไปไล่ดับอหายไปแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะลองดูสิว่าถ้าไม่มีผู้เข้าไปดูเนี่ย แล้วไม่มีผู้ไล่ดับอะเริ่มเจ็เหลืออะไรแต่ว่ามันไปดูมันไปดูเองมันไปเห็นคือมันไปมันรู้สึกอย่างนี้เองอะไรนะคะแล้วก็เห็นว่าที่รู้สึกอย่างนี้เองเป็นสังขารเนี่ยเราไม่จะไปไล่ไปดับมัน<า>ที่เราบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเข้าไปดูเองแล้วมันก็ไล่ดับเองหนูไม่ได้ทำก็เราเห็นว่ามันเป็นสังขารเนี่ยเราก็จะหลงตามมันไปก็แค่นั้นแหละปล่อยมันทั้งทั้งอาการจกตก็ปล่อยมันด้วย ไอ้ผูกเขาไปดูแล้วพยายามจะไล่ดับนั่นงครับปล่อยมันเราจะหลงไปเป็นคนไล่ดับจริงจริงจังแล้วมันจะเกิดขึ้นเราบอกว่ามันมันเกิดมาเองเราไม่ไม่ใช่คนดูแล้วไม่ใช่คนไล่ดับมันดูเองแล้วมันไล่มันเองใช่ไ้มอย่างนี้เราก็ปล่อยมันเลอเถอะมันเกิดเองแต่ก่อนมันเกิดเองมีหน้าที่ของมันมันกระดับเองปล่อยมันถ้าสิ่งใดก็ตามมันมันเกิดมันย่อมดับยังกิงจสมุทัยธรรมังสัพพันตังนี่โลสะธรรมบันติสิ่งใดจริงหนึ่งที่เกิดเองที่เราบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเองนะ สิ่งนั้นยอมดับไปเองคือในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยภายในตัวเราภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเนี่ยปล่อยมันเป็นเนี่ยมันเป็นไปเลยมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันอ่ะเนี่ยก็เรียกปล่อยวางก็ตอนนี้เลยก็ปล่อยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันอ่ะเราอย่าไปทําอะไรอีกแล้วก็เนี่ยมันอยากเป็นแล้วก็เป็นในภายในการในใจเราเอาเป็นอะไรก็เป็นเลยเอามันจะจะเป็นยังไงล่ะ จะเป็นอาการอย่างไงมันจะปรุงแต่งอย่างไงจะพยายามอย่างไงมันจะดิ้นรนอย่างไงอยากเป็นเองก็เป็นเลยเอาก็เป็นไปเอาอยากเป็นเป็นไปเอาเป็นไปเอาเอเป็นไปอยาเป็นอะไรก็เป็นไปเอาเอาเป็นไปเป็นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าปล่อยวางอย่างนี้ค่ะเข้าใจเพราเหมือนกับว่าตอนแรกคิดว่าถ้าเราไปรู้เหตุของมันเนี่ยคือมันก็จะได้มันเจอเหตุอะไรนี้เฉยๆ ย, ยุงตายเลย เราไปทําอย่างนี้ไล่เหตุไล่หามีตายไอตัวเราตัวรายเลยงั้นตัวเราไปไล่หาเหตุไงตัวเราไลยถึกคือตัวเราพูดไล่หาเหตุออืค่ะแต่เราตัวเราไปไล่หาเหตุจริงจริงจังเลยจะให้มันเห็นเหตุให้ได้แต่ตัวรายกลับไอตัวเราพูดไล่หาเหตุคนเป็นอวิชางมีตัวเราไปเริ่มลงมือทาอะไรเป็นอวิชางเหมือนมีตัวเราหมดเลยอวิชาก็ไม่ดับเลยที่ต้องเลิกก็คือไปไล่หาเหตุใช่ไหมคะเลือกหาเหตุให้เห็นตรงนี้เลย แล้วเออเลือกแล้วเอาจะไปไงช่างมันแล้วหน้าต่อตาเนี่ยเอามันจะ่าไปเป็นอะไรอย่าเป็นกระช่างเอาไป่ไปหาเหตุผลเลยสิปล่อยมันเนี่ยจะเป็นกระช่างเลยเขาเรียกว่าวางใจไปเลยวางใจไปทีเดียวเลยมันจะเป็นยังไงไม่มีใครไปยุ่งกับมันเลยไม่มีใครไปไล่หาเหตุผลแล้วไม่มีใครไปยุ่งกับมันเลยเราเนี่ยไอตัวผู้ปล่อยวางแล้วเราก็จะเป็นไงกระช่างจะเป็นไงกระช่างไอปล่อยวางไอตัวนี้ด้วยปล่อยวางแล้วะปล่อยวางป่อวางแล้วก็ตเอาไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไปปล่อยวางหมดเลยแต่ไอตัวเนี้ยปล่อยวางละปล่อยวางละเราจะเป็นยังไง เป็นไงปวางแล้วป่อวาง้อตัวข้างในก็อย่างนี้อ่ะปวางแล้วปวางแล้วอ่ะปวางไม่เห็นเป็นยังไงเลยรือเป็นยังไงเอ้แล้วปล่อยวางยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยหรือต้องเป็นอย่างนี้เปล่าปล่อยวางแล้วปล่อยวางแล้วปล่อยวางไอ้ตัวนี้ด้วยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่มันจะดูแล้วคือปล่อยวางตัวผู้ปล่อยวางน่ะไอ้ตัวผู้ปล่อยวางกับปล่อยวางมันไปเเลยคือปล่อยวางตัวเราอ่ะตัวเรามันจะเป็นยังไงกปล่อยวางมตลอดเวลาเนี่ยมันสงสัยก็ปล่อยวางไอ้ตัวสงสัยมันพยายามวางก็ปล่อยวางไอ้ตัวพยายามวางมันจะไปเอาตัวเราไปปล่อยไปวางนะ ในขณะปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวเราพยายามวางแล้วก็ปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้พยายามวางเพราะเราสงสัยเราก็ปล่อยวางให้ตัวสงสัยตัวเราผู้สงสัยในปัจจุบันเนี่ยก็ปล่อยวางตัวเราอย่างเดียวอะเราอย่าเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอย่างอื่นมันในพ้นทุกอย่างเนี้ยเพราะอะไรถ้ปล่อยวางตัวเรามันก็จะดับเอาวิชาได้แต่ถ้าเอาตัวเราไปปล่อยอย่างอื่นเนี่ยมันเอาวิชามันไม่ดับมเลยตัวเราไปไม่มีอะไรอีกแล้วเลยตัวผู้ปล่อยวางตัวที่สงสัยตัวที่ดินร่นเนี่ย เลยจากนี้ไปไม่มีอะไรแล้วเลยตัวเราไปไม่ไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรอีกเหมือนตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วนอกตัวเราออกไปเนี่ยมันก็เป็นแต่อากาศเป็นแต่ความว่างเลยความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีความรู้สึกว่าตัวเราทําอะไรตัวเราเป็นอะไรตัวเราดูตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราปล่อวางไอ้ปล่อยวางตัวเนี้ยไปตลอดเวลาให้ปล่อวางไอ้ตัวเราเนี่ยไปตลอดเวลาเลย แลตัวเรารู้สึกว่ามีตัวเราไปปล่ยวางก็ปล่อยวางไอ้ตัวที่มีความรู้สึกว่าตัวเราไปปล่อยวางป่อวางไอ้ตัวที่รู้สึกว่าเราได้เป็นผู้ปล่อยวางคือปล่อยวางไอ้ตัวนี้ด้วยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางมันปล่อยวางตัวเราเองตลอดเวลาไม่เอาตัวเราไปปล่อยอย่างอื่นชื่อหญิงค่ะคือรู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญญาค่ะบางช่วงหลงเคยช่วงหลงก็หลงไปค่ะแต่ว่าช่วงสติก็มันไม่มันไม่เห็น บ่อยค่ะเรื่องเออ่พวกอนัตตาพวกอะไรเงรี้ยค่ะที่มันมันไม่เห็นเพราเราโวไปยุ่งกับคนอือ่นน่ะคือเราชอบยุ่งกับคนอือ่นเราชอบใจไปยุ่งกับคนอื่นปากไปยุ่งกับคนอื่นเลยเราไม่เห็นตัวเราเองตรงนี้เนี่ยเป็นของเราเนี่ยมันมีข้อบกพร่องตรงนี้ต้องแก้ไขแต่พอเราเราเรามีสติไดมาเราก็จะรู้ตัวเราเองแต่พอรู้ตัว เ, เองเรากลับไม่ปล่อยวางตัวเอง เราก็เอาตัวเองออาไปดูไปรู้ไปปล่อยวางแต่เรากับพารู้ตัวเอง <c oughs> เรากับไม่ปล่อยวางตัวเองให้ผู <c oughs> ้ดูผู้รู้นั่นแหละแต่เราเนี่ยตอนพอที่เราไม่มีสติเราก็เอาตัวเราไปยุ่งกับคนอื่นแล้วก็พอเสร็จแล้วพอเราไม่ีสติอ่ะมันไม่ีสติเราก็รู้แต่เรากะเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ไปรู้แต่เราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราอ่ะเราตัวเราพยายามไปรู้ไปปล่อยวางแต่เราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเข้าใจไหมเนี่ยรู้รู้สึกอย่างนั้นหรือปล่า รู้สึกว่าไม่ค่อยยอมรับตัวเองเหมือนก็คือไม่ปล่อยวางแลคะเหมือนไม่ไม่ไม่ยอมรับตัวเองไม่ยอมรับสภาวะที่ตัวเองเป็นไงคะก็ปล่อยวางไอ้ตัวที่ไม่ยอมรับสิเดี๋ยวเอาตัวเราไปไปปล่อยวางไอ้สภาวะที่เราไม่ยอมรับสิเรานี่เอาตัวเราไปปล่อยวางสภาวะหรืออาการหรือสภาวะใดที่เราไม่ยอมรับเราพยายามจะปล่อยวางไอ้นั้นจะปล่อยวางสภาวะนั้นแต่ตัวปัญหาที่สุดคือตัวเราเนี่ย ที่พยายามไปปล่อยวางสภาวะที่เราไม่ยอมรับต้องวางในตัวเราเนี่ยเห็นตัวเราเนี่ยมันพยายามจะจะไปวางไอ้สภาวะที่ไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับสภาวะอย่างเนี้ยอาการอย่างเนี้ยเราไม่ยอมรับสภาวะเงี้ไม่ยอมรับเราปล่อยวางไอ้ตัวผู้ไม่ยอมรับมันมีอยู่แต่เราไม่ยึดมันมาเป็นตัวเราวิธีปล่อยวางคือไอ้มินมีไอ้ตัวผู้ไม่ยอมรับอยู่เราฆ่ามันก็ไม่ตายไอ้ตัวนี้มันเป็นสังขานในขานหน้า แต่เราเนี่ยไม่ยอบไม่ไม่เอามาเป็นตัวเราอตัวเนี้ยไม่เอามาเป็นตัวตนของเราเฉยว่ามันเป็นขันห้าตัวขันห้านั่นแน่มันต้งจะปรุงแต่งได้แบบมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นตัวเราเลยมีความรู้สึกว่าตัวเราไม่ยอมรับสภาวะอะไรที่เราไม่ถูกใจเพราะฉะั้นเราต้องเห็นในตัวที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วไปยอไม่ยอมรับสภาวะที่ไม่ถูกใจไอ้ตัวเนี้ยมันคือขันห้าเราเนี่ยกับเอาไอ้ตัวเราแล้มีตัวเราจริงๆริแล้วจะเอาตัวเราไปปล่อยวางสภาวะที่ไม่ถูกใจ คือมันยังเห็นว่าเรามีเรายังเห็นว่ามีเราอยู่ก็เลยมันก็เลยวางตัวนั้นไม่ได้ใครเป็นคนเห็นว่าว่าเรามีเราวางไอ้ตัวนั้นไปไม่ใช่เอาตัวเราไปวางไอ้ไอตัวเราใครเป็นคนเห็นว่ามีเราอะไรตัวนั้นคือปัญหาเพราะว่าอะไรไอ้ความมีเรามันเป็นขันห้ามมันอยู่ยังไั้นี่ะปัญหาไม่ได้เกิดแล้วมันเป็นขันห้าปัญหามันอยู่ทีว่า เรารู city, de ้สึก on ว่ามีตัวเราเราไปจัดการมันปัญหามันเลยอยู่ที่ตัวเรานี่ไงคือไอ้ตัวผู้เห็นนี่เนี่ยอย่างของนี่ของโยมเมื่อกี้เขาก็อยู่ในตัวผู้ไปดูมันนี่ไงมันเลยมีปัญหาไะเรากลับไปโทษอากาศที่ถูกดูว่ามันเป็นปัญหาอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเราทนไม่ได้ดีกว่าความไม่สุดตัวเราเราจะทำลายมันเราพยายามทําลายมันทําลายไม่ได้ทันทีไอ้ตัวนั้นเราไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ตัวที่เราจะไปคิดทำลายมันนี่ไงมีปัญหา ปัญหาที่เราแต่ละคนเนี่ยคิดจะไปทําลายอะไรทั้งนั้นเลยเรากลับไปโทษในสิ่งที่เราเนี่ยไปรู้ไปเห็นมันแล้วก็เราก็โทษว่าไอ้สิ่งนั้นนั่นคือปัญหาที่เราจะต้องทําลายมันแต่จริงจริงแต้จริงไอ้คนมีปัญหาเนี่ยคือไอ้ตัวเราที่จะไปทําลายมันนั่นแหละคือตัวปัญหาไอ้ตัวที่เราไปรู้นี่ก็ไปรู้ในตัวเราไปเห็นมันว่ามีตัวตนแั้วในตัวที่ไปเห็นเนี่ยมันมีปัญหามันจะไปทําลายไอ้ตัวตน มันเลยปัญหามันอยู่ตรงไอ้ผู้เห็นเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันก็จะทําลายความตัวตนนี่โยมนิวคีเขาไปเห็นอาการหลงใจไอ้ผู้เข้าไปดูมีผู้เข้าไปดูอาการของใจมันก็เลยเห็นอาการของใจที่ไม่น่าพอใจก็จะไปทําลายอาการหลงใจที่ไม่น่าพอใจอาการหลงใจไม่น่าพอใจมันเป็นทุกเวทนาขันมันไม่ได้มีปัญหาพุทธเจ้าก็มีทุกเวทนาขันอรหันต์ก็มีทุกเวทนาขันแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ไอ้ตัวเราเนี่ยจะเข้าไปทําลายมันนี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ย แันในความรู้สึกมีตัวเป็นตัวเราเนี่ยมันก็เป็นขันธ์หน้าเขาปรุงแต่งมาเขาปรุงแต่งก็ปล่อยมันไป็เป็นขันธ์หน้ามันไม่ได้มีปัญหาขันธ์หน้าแต่ปัญหาคือเราจะทําลายขันธ์หน้าความรู้สึกเป็นตัวเรามันเอาขันธ์หน้ามาปรุงแต่งถ้าไม่เอาขันธ์หน้ามาปรุงแต่งมันจะเอาอะไรปรุงแต่งจิตเดิมแท้ที่เป็นความว่างเปล่ามันปรุงแต่งอะไรได้มันปุงแต่งไม่ได้จิตเดิมแท้เป็นความว่างเปล่ามจะไปปรุงแต่งอะไรได้เนั้น ขันห้ามแลเลยมีปัญหาออพอเราไปเห็นมันเข้าเราก็จะเอาเราจะเข้าไปจัดการมันปัญหามันอยู่ตรงที่เราเนี่ยจะเข้าไปจัดการมันให้ตัวตนมันหมดไปให้อาการที่ไม่ถูกใจมันหมดไปต่อให้มันมีความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยเป็นตัวตนก็เป็นไปเด็เราไม่ยึดมันสักอย่างไม่หยิดหนากับใจเราสักอย่างเราไม่คิดจะทำลายมันแล้วเราไม่ยึดมันสักอย่างแล้วจบแลค่นี้เอาให้มันรู้สึกเป็นตัวตนอยู่เนี่ยเอาเราไม่ไปยึดมันอะ ้เราก็ไม่คิดไปทำลายมันโอ้โหถ้าเราไปคิดทำลายมันอ่ะตายเลยจะไปทำลายมันได้ยังไงอืมเรจะทำลายมันได้ยัง ไ, ไ, ไ, ไงเอาบอกหน่อยสิมันเป็นขันห้าล้วทำลายได้ยงไงทำลายไม่ได้เราสจากว่าเมื่อไหร่นี้มันมีความรู้สึกเป็นตัวตนเราเราเห็นว่ามันเป็นสังขารขันมันก็หมดปัญหาตัวใจไปเลยใจก็เลยไม่มีปัญหาใจนะใจก็เลยไม่มีปัญหา มันจะเป็นยังไงแต่อาจารย์ไม่มีปัญหาแล้วถ้าจะไม่ให้คือ ถ, ถ้าจะไม่ให้จัดการนี่ไงนี่ไงพูดแล้ดับเฉลีเลยเห็นไหมแล้วจะทําไงไม่ให้จัดการนึกแล้วเฉียวเราก็ต้องเห็นได้ผู้จัดการเนี่ยที่มันชอบมันจะไปจัดการอะไรเนี่ยมันเป็นขนันห้าถ้าเราถามว่าแล้วทายังไงจึง จ, จัดการได้ผู้จัดการได้ โอ้ยอย่างนี้เราก็สร้างผู้จัดการตัวใหม่มาอีกแล้วเนี่ยดี่างนี้ไม่จบสิ้นเลยสิแล้ไงเดี๋ยวมีผู้จัดการตัวที่สองโผล่อีกอ้าวเราทาไงจะจะทําลายผู้จัดการตัวที่หนึ่งกับผู้จัดการตัวที่สองเออไปสร้างผู้จัดการตัวที่สามทำงานจะสร้างทําลายผู้จัดการตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามได้ก็สร้างผู้จัดการตัวที่สี่แล้วจะจบตรงไหนอะางเงี้ยมันจะมีผู้จัดการกี่ตัวเนี่ยมันก็คือสังขารขันหมดนี่ย เจิตเดิมแท้เ ป, เป็นความว่างเปล่าลตัวตนมันไม่มีมันไปนจัดการอะไรไม่ได้ดังนั้นทุกตัวที่มันจัดการมันเป็นขันธ์หน้ามหมดดังนั้นมันจะมีอาการอะไรก็ตามจะมีกิจยาการยังไงก็ตามจะมีพฤติกรรมทางจิตยังไงก็ตามมันเป็นสังขารขารันธ์กรุงแต่งหมดเลยเป็นขันธ์หน้าทั้งหมดส่วนจิตเดิมแท้เนี่ยหรือใจแท้แท้เนี่ยมันกรุงแต่งอะไรไม่ได้มันเป็นความว่างเพราะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันปรุงแต่งอะไรไม่ได้ดังนั้นไหนที่ปรุงแต่งมันเป็นขันธ์หน้าได้ทั้งหมดมันต้องเอาขันธ์หน้ามาปรุงแต่งได้ ตอนมันปุงอะไรก็ตามมันก็เป็นขันห้าเป็นสังขารขันเราเห็นว่ามันเป็นขันห้าเป็นสังขารขานเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเลยไม่ยึดมันสุกอย่างเราปล่อยวางทั้งหมดอะขันห้าไม่ใช่เราเพราะใจหรือจิตเดินตะแ๊นเป็นความว่างมันเป็นอสสลีลังตัวตนไม่มีรูปปั้นสันขารไม่มีชื่ออื่ค่ะที่ฝึกที่ดูอยู่อะค่ะพอจะ มันมีตัวที่ตั้งใจเข้าไปดูเยอะอยู่หรือเปล่าคะถามอย่างนี้ก็ดีมันก็คือเยอะเลยแหละแล้พอ ม, ม, มันไม่ได้อย่างใจก็โมโหพอไม่ได้อย่างใจก็หงุดหงิดโมโหใจไม่ได้อย่างใจวางไม่หมดนะเนี่ยทํางไอตัวที่สิ่งที่เราไปดูแล้วเราคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เราวางไปหมดเลย ไม่มีเราที่เราไปคาดหวังอะไรทั้งหมดมันเป็นแต่ปัจจุบันที่ไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรเลยไม่เป็นอะไรสักอย่างเด้วทำ น, นั่นแหะคือทำพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นยึดนี่เราไปดูแล้วเราก็คาดหวงังบวกคาดหวังมันเป็นกิเลสตัณหาเป็นอุปทานวางไปเลยวางความคาดหวังอะ พอเราไปดูแล้วก็เป็นตัวเราไปดูเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราผู้ไปดูแล้วก็คาดหวังให้มันเป็นอย่างที่เราดูต้องการแล้วก็ไเป็นอย่างอย่างที่ใจเราต้องการเราก็อึดอัดขับคล้องใจวางมันได้หมดเลยทั้งพูดที่เขาไปดูทั้งสิ่งที่เราไปดูแล้วก็ที่คาดหวังที่เราคาดหวังว่าจะเป็นยังไงวางเดี๋ยวนี้เลยวางให้หมดจากใจความทุกข์กิเลสตัณหามว้อยู่ตรงนี้เนี่ยความเข้าไปดูจะให้มันเป็นอะไรนี่แนีะยถลรวาง ไอ้ความก็ไปดูจะเป็นอะไร่ะวางลงไปเลยเดี๋ยวนี้ยวางแล้วเนี่ยกิเลสตัณหาอุปทานภบชาติมันกระดับเดี๋ยวนี้เนี่ยความทุกข์อึดอัดขับข้องใจไม่แด้ยใจมันกระดับเดี๋ยวนี้เนี่ยพราะเราไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้ใหเกิดขึ้นอันนั้นนะพระเราไปดูด้วยความคาดหวังจะมันเป็นอะไรเราก็วางไปหมดเลยมันมีตัวเราหเหตุที่จรเนี่ยมันมีตัวเราไปเสพ ความสบายเน like like ี่ยพอวางปุ <tecnología> ๊บก็สบายเลยเบาสบายพอเบาสบายปุ๊บเอาตัวเราไปเสพความเบาสบายแล้วก็เห็นแล้วรู้ตัวตนแล้วก็วางตัวเราผู้ไปเสพความเบาสบายเราไม่ใช่ไปทําลายความเบาสบายนะเบาสบายก็ปล่อยอยงเ้ยแต่มีตัวเราไปเสพความเบาสบายนั่นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับมันมันเนียนนะค่ะมันมันมันมันเนียนอ่ะมันมันอธิบายไม่ถูกอค่ะเวลามันจังหวะที่แบบว่าตั้งใจแล้วแบบว่า จะเข้าไปดูจะเข้าไปเหมือนกับอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะมันก็มีตัวเราที่เหมือนกับเป็นเราเราสร้างตัวเราขึ้นมาเพื่อจะทําอะไรบางอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแต่ล้วเป็นไงแล้วมันนยียนบางทีมันมันไม่ทันนะคะไม่ต้องทันมันหลอกวางให้หมดที่เราจะรู้ตัาทันในตัวนัน้นนกิเลสวางเลยเห็นไม่ได้หมดเนี่สังขารทั้งหมดแบบมันะ มัน ส, right. สังขารอะผลมันในใจในปัจจุบันวางมันไปเรื่อยไปมันสังขารเสี้ยววินาีเดียวมีสังขารอะในใจก็โผลวางขึ้นมาวางไปถึงว่าแค่รู้แค่เห็นมันสัพตะวัรู้แค่เห็นมันวางไปก็คือสัพตะวัรู้สัพตะวันเห็นมันไม่ได้สตวัรู้สัพตะวันเห็นเพื่อให้เป็นอะไรเพื่อให้เห็นได้อะไรคือธรรมะในในสรรมะในปัจจุบันก็ลงที่สัพแต่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าสัพตะวัาแล้วเดี๋ยวเราจะไปได้อะไร ไม่มีได้อะไรหราก็มีแต่สัตวะก็ได้แต <c oughs> ่สัตวะเนี่ยได้แค่นี้เนี่ยก็ได้แต่ว่าสัตตวารู้พอทําที่สุดก็คือสัตวะแล้วสัตวะเราจะไปเอาอะไรอีกมันอะไรก็จำที่มันปรากฏในใจไม่ว่าทําอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในใจก็สัตวะอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ว่าสัตวะเราจะได้อะไรจะไปเอาอะไรไปเป็นอะไรก็ทําสูงสุดแล้วสัตวะเนี่ย ทำไมเรียกว่าทําสูงสุดของพระเจ้าก็ตัดกับไผย่านะพระเจ้าเนี่ยตัดกับไผ่ไผย่าจะเป็นค า, ารวะแล้วตัดกับพระมายุ่งกัยาบุตรเนะี่ยว่าทำอันใดที่จะทําให้บรรลุวิริยานในปัจจุบันสัตวะว่านแน่สัต่ว่าล้วจะเอาอะไรนี่มันทาสูงสุดแล้วเจ้า ต, ตัดแต่ว่าอดเองอันอะไรมันเกิดในใจเราก็สักแต่ว่าเดี๋ยวหนูสัแต่ว่าแล้วหนูจะได้อะไรเดี๋ยวหนูจะไปเป็นอะไรไม่ใช่ไอันนั้นมันเกิดสัแต่ว่าไปแล้ว เป็นกิเลสตัณหาสัตวว่าไม่มีกิเลสตัณหารักมันมีแต่สัตวว่าในปัจจุบันให้เป็นสัตววาจริงๆในปัจจุบันทุกข์นาปัจจุบันนั่นแหละคือสูงสุดเราจะไปเอาอนะะไรกันนะจะคาดหวังอะไรชื่อนุชค่ะนุชก็เหมือนไม่ค่อยก้าวหน้าก็ไม่ทราบว่า pues ติดอะไรอะค่ะ uhm อืมแต่ละคนจะเอาก้าวหน้าเนี่ย ติดตรงกเเหมือนเหมือนเดิมทํามาตั้งนานแล้วก็ปฏิบัตเราจะเอาเก้าหน้านี่นะติดตรงจมูกเอาเก้าหน้านี่นะวางนยท่านทุตวางความดิ้นรนสงสัยดิ้นรนคุนหานี่ยวางเลยเอ๊ะทาไมถึงไม่ก้าหน้าเอ๊ะทำงานจะเก้าหน้าเอ๊วางพอพยายามด้วยพยายามใจเขาทำให้เราก้าวหน้าแล้ววางความสงสัยวางเดี๋ยวนี้เลย เพราะตัวนั้นเป็นกิเลสเป็นเอวิชาเพราะว่ามันหาวันทางให้ตัวเองก็เป็นอาวิชาอยู่แล้วไอ้ตัวที่ทําให้เราไม่ก้าวหน้านะคือเนี่ยเราหาวันทางให้ตัวเองไม่เริกไม่เริกที่จะหาวนทางให้แกตัวเองแต่พหาวันทางให้ตัวเอง <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ะแตมันไม่ก้าวหน้าไอ้ตัวที่หาวนทางให้แก่ตัวเองมันทําให้เราไม่ก้าวหน้ามันก็เลยบวกตัวสงสัยหนักเข้าไปอีก ทำไมจึงไม่ก้านาทํางานไม่ก้าหน้าใกล้ตัวที่หาหาค้นทางให้ตัวเองอ่มันทําไม่ไปก้าหน้าไว้ตัวนี้มันหายไปปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเลยคือบางทีมันก็ไม่รู้ตัวมันก็แต่พอหลวงตาพูดเก็ก็ใช่ก็หมวแต่เหมือนกับหาว่าทําไมถึงได้แค่นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ ไอ้ที่มันได้แค่นี้ก็เพราะว่าหาเนี่นแหละว่า้ทำไมมันได้แค่นี้เอ๊ะทำไมมันได้แค่นี้ก็ไอ้ตัวที่มันมันมีปัญหาเนี่ยคือไอ้ตัวหาเนี่ยแหละเพราะอะไรเราเต็มพูดเมื่อกี้ก็ถามแล้วว่าตัญหาเป็นเป็นเหตุใหญ่ของสมูไทยเหตุที้เกิดพบเป็นอุปทานพบชาติทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจตัณหาเป็นเหตุแต่เรากลับไปหาไอ้อะไรเราทำไมถึงไม่เก้าหน้าเอ๊ะหาคุทางให้เราก้าวหน้าเราก็ไม่เห็นไใ้ตัวหาเนี่ยแหละแต่เราจะไอเอาไอ้ตัวหาเนี่ยไปให้มันเห็น มันตําตาเราอยู่เนี่ยอืมปัญหามันอยู่ตรงไอ้ผู้หาเนี่ยแต่เรากลับว่าจะไอ้ผู้หาเนี่ยไปให้มันเห็นเนี่ยปัญหามอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเอาตัวเราไปหาหรือจะอย่างจะต้องอย่างนั้นดีหรือต้องทําวิธีนี้ดีเอ้เราทํามาตั้งหลายวิธีแต่มันไม่ไปยังไงทุกทีเรากพยายามเอาตัวเราไปหาอยู่นัลนวแหละหากรรมวิธีเลยแหละแล้วเราก็ไม่เห็นว่าตัวเจ้าปัญหามันคือใครเออเราเองเราเนี่ยแหละคือเอาไอ้ปัญหาเราคือเอาเราเองไปหาเนี่ยเอาตัวเราเองไปหาปัญหามอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเราก็ไม่เห็นตัวเองไม่รู้ต้องทกา พอเราเห็นในตัวเนี้ยนะแท้จริงอ่ะที่เราเนี่ยไม่พบธรรมไม่เป็นธรรมกับพวกไอ้ตัวเราเองนี่แหละแต่เราจะเอาตัวเราเนี่ยไปหาหเห็นธรรมแต่เราไม่เห็นว่าไอ้ที่เราไอ้ตัวเราผู้หานี่แน่มันขวางธรรมรวมทัม้งอาการทุกอย่างที่มันเป็นในใจมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยวางมันเอเราจะบอกว่ารู้สึกไม่เคยสบายเลยไม่จะสบายก็ปล่อยวางต่อให้สบายนะแม้แต่สบายก็ยังต้องปล่อยวางอย่าบอกว่าไม่สบายเลยทําไมจริงไม่สบาย ไม่สบายก็วางมาันไปวางมันไม่ไม่จะได้บอกว่าเดี๋ยวจะสบายถ้าหนูวางแล้วหนูจะได้สบายใช่ไหมไม่ใช่ะแม้แต่สบายแล้วยังต้องปล่อยก็ปล่อยวางแต่ปล่อยวางไม่ใช่ว่าไปทําลายเขาก็ <c oughs> ปล่อยก็เป็นอย่างที่ก็เป็นเน่ะสบายก็สบายไม่สบายก็ไม่สบายาก็ปล่อยก็เป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยแต่คาร์โจริตอย่างอย่างอย่างสิวนี่ควรจะปฏิแบบัติแนวไหนยังไงว่าแบบต่อเนี่ย ก็วานเดี๋ยนี้ไงนี่จะไปหาอีกแล้วเอาพูด อ, อยู่โยกโยกจะเอาตัวเราไปหาด้วยเนี่ยไม่สิ้นหา fade, เนี่ยวนตายก็วางก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เราไปหาเพื่ออะไรนะจะให้เราเป็นให้เราเป็นมากกว่านี้ให้เราได้มากกว่านี้อันนี้มันเป็นอะไรไม่ใช่ไอ้ที่เราอยากจะให้เรามันเป็นมากกว่าเนี้ยเป็นอะไรกิเลสวิชาเป็นกิเลส ว, วพ อ, อาหารทั้งหลายสิ้นอะไร เออสิ่งวิชาสิ้นกิเลสก็วางเดี๋ยวนี้แมันจะมีอะไรอ่ะมันสัมผัสได้ดิมันมันเป็นปัจจิตังอ่ะได้ตัวเราเองอ่ะมันจะมาต้องพุ่งนี้หรือจะนี่อะไรเดี๋ยวนี้เราวางนั่นเป็นยังไงมันก็จะเป็นยังไงก็อาการจิตใจเราเป็นยังไงอ่ะแม้แต่มันมีความรู้สึกมีตัวเรามีความรู้สึกว่าตัวเราก็ปล่อยมันอยู่ต่อมันมีความรู้สึกเป็นตัวเรากะวะแล้วก็เห็นมันรู้มันอยู่วางมันไปปล่อยวางมันไปไม่ใช่ไปําลายมัน มันจะมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราอย่างไรก็ช่างมันช่างมันช่างมันช่างมันจะเป็นแคช่างมันไหมแต่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราก็ช่างมันไม่ต้องเหมือนออกับโยนนี่หว่าเราจะทำไงทำลายตัวเราอ้าวอันนี้ไม่ช่างมันแล้วอันเนี้มีทุกข์มีปัญหาทันทีใช่ไหมอตัวที่ความรู้สึกเป็นตัวเราไม่มีปัญหาแต่เราจะทําลายความรู้สึกเป็นตัวเรามีปัญหาทันทีเราก็รู้ได้โดยตัวเองในปัจจุบันน่ะ มันเกิดอะไรขึ้นในกายในใจเราช่างมันหมดอ่ะต่อให้มันมีความรู้สึกเป็นตัวเราต่อให้มันเกิดมีความรู้สึกเป็นอะไรเป็นผู้สนับผู้สนับจ้างมันอย่างเดียวอ่ะถ้าจ้างมันเนี่ยเราไม่ไม่หลงเข้าไปยึดอะไรสักอย่างเดียวอ่มันก็ไม่เป็นกิเลสมันจะเป็นกิเลสได้ต้องเข้าไปยึดต่อให้มันเป็นอวิชชาเราไม่เข้าไปยึดมันเป็นกิเลสอะไรเลยกิเลสต้องยึดอย่างเดียวถึงจะเป็นกิเลสถ้าไม่มีตัวเราไปยึดไม่เป็นกิเลสเพราะถ้ามีตัวเราไปยึดมันเริ่มต้นในอวิชชา ถ้าไม่มีอวิชชาเกลเละเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่มีตัวเราก็ไปเป็นผู้เป็นะจะไม่มีอวิชชาติขาดไม่มีอวิชชาไม่มีเกลเะปันหา